Book 2 60 60 2> ที่ธนาคารเอ็นดีบังคดิฉันต้องการเปิดบัญชีแอคท์ฟูลกรอกเรียกเงินวบหมกนี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน here is my p a s p o r t และนี่ที่อยู่ของดิฉัน and h e r is my address ดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน I w o l d like t e p o i n money into my a c o n ดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน I would like to w i t r a w money from m r e c e n i n g ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทางค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะ Waar moet ก te ja, k teken? ดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน i อกเ r อร์วาชเ n อูร์เบตอลังฟอนด์ไถท์ส a ลนี่คือเลขที่บัญชีของดิฉันอเงเงินเข้าหรือยังคะอ ดิฉันต้องการแลกเงินเอกอยากขอรับดีเงินแ e กดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐเอกคิดอเมริกันเซนดอลลาร์หนึ่กรุณาขอแบงก์ย่อยค่ะที่นี่มีตู้อทไหมคะ สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คากีร์ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคกรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e